วันที่4นะของการเข้าพรรษามีเวลาอีกไม่ถึง90วัน80กับกว่าวันนะสำหรับการเข้าพรรษาสำหรับผู้ที่มาจำพรรษาที่วัดป่าสุขโตไม่ว่าจะมาจำพรรษาด้วยสายเหตุใดบวชตามประเพณี หรือว่ามาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามาก็อยากจะฝากให้ทำกิ่สองอย่างในช่วงขาบรัญาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม นะวันนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็หนีไม่พ้นจากเรื่องที่จะฝากไว้นะให้เป็นการบ้านเป็นภารกิจสำหรับการเข้าพรรษาข้อแรกคือว่าให้ฝึกฝนที่จะ อยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้เป็นอันนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายคนทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่และจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พยายามทําตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับก็คือการพยายามที่จะ หนีจากตัวเองนะคือถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนอื่นที่จะมาพูดคุยด้วยไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโ ท, ท, ทรศัพท์นะ ต้องอยู่กับตัวเองจริงๆแม้จะไม่มีอะไรที่ทำให้น่ากลัวแต่ก็อยู่ได้ยากจะมีอาการกระสับกระส่ายนะอยากจะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนอยากจะไปดูหนังฟังเพลง อยากจะไปเที่ยวห้างอยากจะเล่นเกมออนไลน์หรือว่าดูโทรทัศน์อันนี้เป็นอาการของคนที่อยู่กับตัวเองไม่ได้และพออยู่กับตัวเองเมอไหร่ก็จะมีอาการกระสรับกระส่ายทุรนทุรายต้องทาหาทางทาทุกอย่างเพื่อ น, นี้จากตัวเอง ซึ่งมันก็แปลกนะทุกคนก็บอกว่าหรือเดาได้ว่าจะพูดว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่พอเวลาอยู่กับตัวเองทำไมถึงอยู่ลำบากถ้าเรารักใครเราก็อยากอยู่ใกล้เชือคนนั้นขนาดคนที่รักรถนะก็ยังอยากอยู่ใกล้รถนะ เห็นรถก็อยากจะรูปครัมฟ้าอประครบประโมคนที่รักพระเครื่องก็มีความสุขการที่ได้อยู่กับพรกเครื่องแต่ทำไมพอรักตัวเองกลับอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ในเวลาหลายท่านที่บวชใหม่เนี่ย หรือว่ามาปฏิบัติธรรมมาเข้าบรรษาไม่กี่วันมา น, นี้เนี่ยก็ <c oughs> คงจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีแรงแรงผลักอยู่ข้างในนะมันจะมีความหยหาสิ่งที่เคยผูกพันนึกถึงเพลงนึกถึงหนังนึกถึงเพื่อน มันจะมีแรงผลักที่อยากจะเข้าไปหาถึงตัวไปหาไม่ได้ก็ใจก็จะนึกหาแล้วก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายนะบางทีก็จะรู้สึกเหงานะยิ่งคนที่เคย ใช้เวลาอยู่กับการเที่ยวสนุกสนานหรือแม้แต่การหมกมุ่นอยู่กับงานการก็ตามพอมาอยู่ที่วัดนะต้องมาจำภาษามันก็จะรู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขละ อันนี้ก็ให้ร่วมมันเป็นธรรมดาเพราะว่าการอยู่กับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มันมีสิ่งที่ดึงดูดใจของเราให้ออกนอกตลอดเวลารวมทั้งไปเข้าใจว่าไอสิ่งภายนอกนั่นแหละที่จะให้ความสุขกับเราได้ ความสุขของคนเดี๋ยวนี้ก็มันไปผูกติดกับสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของผู้คนหรือว่าความสนุกสนานสจที่ทำให้อยู่กับตัวเองไม่ได้อีกเหตุผลนึงก็คือว่าได้อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ใจมันจะฟุ้งซ่านมันจะมีความรู้สึกไม่พอใจ กับสภาพที่เป็นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยเราจะหาความสุขได้ยากมากเนี่ยต้องมีสิ่งเสพนะมาปนเปิดตลอดเวลานะจะต้องเที่ยวจะต้องหาใคร ที่ถูกใจนะมาเปนเพลตอบสนองความต้องการของเราและได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้เราใช้เวลาช่วงข้าบรรษานี่แหละนะเป็นโอกาสดีที่จะฝึกฝนการอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่มีใครมาคลุกคลีตีมงด้วย ไม่ได้ไปเที่ยวห้างไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขได้คนเราจะอยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันต้องรู้จักวิธีการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่อยู่กับลมหายใจอยู่กับอิียบทการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกตัว สิ่งเหานี้ที่ทำให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองได้อยู่ที่ไหนก็ไม่เหงานะเพราะว่ามีตัวเองเป็นเพื่อนใจมันอยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมันส่งออกนอกเมื่อไหร่นะไปนึกถึงเพื่อนไปนึกถึงแฟนไปนึกถึงอาหารที่เคยกินนะความบันเทิงเรื่องลมที่เคยเสพ น, นั่นเป็นเรื่องนอกตัวแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันละมันเป็นอดีตนะหรือไม่ก็บางคนก็คอยนะนึกวาดหวังเอาไว้ว่าเออออกพรนษามเมื่อไหร่นะจะได้ไปทำอะไรบ้างบางคนแม่บอกว่าจะซื้อรถใหนะ้หรือว่าจะได้ไปเที่ยวจะได้ทำตามความอยาก อันั้นมันก็อยู่การ น, นาคตแล้วก็เป็นความหวังที่ยิ่งทำให้อยู่กับปัจจุบันได้ยากเพราะมันจะคอยเร่งให้วันนั้นมาถึงเร็วๆตื่นขึ้นมาทุกวันก็จะนับวันละว่าอ่ออีกแปดสิบสี่วันอีกแปดสิบสามวันนะที่จริงเนี่ยจะรู้สึกว่าวันแต่ละวันมันผ่านไปอย่างช้ามาก จะรู้สึกทรมานนะถ้าใจมันไปคาดหวังหรือไปผวงอยู่กับอนาคตนั่นยิ่งทำให้การบวชนะการปฏิบัติเป็นเรื่องยากแม้กระทั่งนักปฏิบัติที่มาวันนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาเจ็ดวันก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับ แต่สิกาวันของคนที่เข้าพรรษาแต่ถ้าเกิดว่าใจมันคิดถึงวันกลับเมื่อไหร่จะรู้สึกกระสับกระส่ายจะรู้สึกว่าแต่ละชั่วโมงที่สุกโตนี้มันผ่านไปอย่างเชื่อง้ามากคนที่คิดแบบนั้นเรียกว่าใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและก็จะทาให้มีความทุกขนะ์กับการอยู่ที่นี่ มีความทุกวการอยู่กับตัวเองใจมันจะคิดแต่จะว่าหาทางไปพูดคุยกับคนโน้นไปพูดคุยกับคนนั้นนะเพื่อจะได้หายเบื่อหายเซ็งนั่นก็คือการหนีตัวเองนะให้เรารู้ไวนะ้ถ้าไม่อยากกระสับกระส่ายทุรนทุราย หรือไม่อยากเบื่อก็ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับิริยบทการเคลื่อนไหวอยู่กับงานที่ทำในปัจจุบั น, นไม่ต้องนึกถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องนึกถึงชั่วโมงถัดไปเลยก็ได้ แค่เพอให้พาใจให้อยู่กับปัจจุบันแต่ละขนาดแต่ละขรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าปล่อยให้มันครองใจอยู่กับปัจจุบันนี้มันหมายถึงทั้งการรู้กายรู้ใจนะขณะที่เรานั่งอยู่ก็เป็นปัจจุบัน แล้วเมื่อเราเดินจงกรมสร้างจังหวะ น, นั่นก็เป็นปัจจุบันถ้าใจเราอยู่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรให้ทุกข์เหมือนกับที่เรานั่งตรงนี้ถ้าใจเราอยู่กับตรงนี้ไม่ได้ไปคิดถึงอดีตรหรืออนาคตไม่ได้คิดถึงคนที่บ้านหรืองานที่คาอยู่ก็ไม่มีความทุกข์อะไร แต่เพียงแค่คิดว่าเมื่อไหร่จะบรรยายเสร็จจะทุกขึ้นมาทันทีเพราะก็จะนับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะรู้สึกว่ามันนานหรือเกินอันเนี่การที่ใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจที่ไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ยาก สำหรับพระที่บทใหมนะ่หรือนักปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยนะก็พยายามใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยสำหรับการอยู่กับตัวเองให้มากๆหลีกเลี่ยงการคลุกคลีนะ <S <S ใจมันอยากจะไปคลุกคลีไปพูดคุยกับคนนันคนนี้นะจะได้หนีจากตัวเองสักที หรือว่าถ้าคุกคลีไม่ได้แล้วก็จะหาเรื่องคิดโน่นคิดนีน่การคิดถึงอดีตที่เคยสวยงามหรือว่าฟันหวานถึงอนาคตเนี่ยมันก็เป็นการหนีตัว่องอีกแบบหนึ่งคือหนีเข้าไปในโลกแห่งความคิดเพราะมันเบื่อไงอยู่กับตัวเองแล้วเบื่อ ริงคนที่ติดติดบางอย่างนะที่เคยเสพแล้วไม่ได้เสพเช่นเพลงหนังหรือแม้กระทั่งอบายามุขเช่นบุหรี่หรือเหล้าใจามันจะคอยคิดถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาเราก็ทำให้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยแต่ว่า ถ้าเราพยายามฝืนพยายามสู้นะไม่นานมันก็หายอาการกระสับกระส่ายก็ดีอาการเบื่อหน่ายก็ดีเหล่านี้เนี่ยมันคล้ายๆกับอาการของคนที่เคยติดเคยเสพอะไรบางอย่างจนติดแล้วพอไม่ได้เสพเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้แหละ คนที่ติดกาแฟคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดเหล้าพอไม่ได้เสพก็จะ ม, มีอาการมันก็ลงแดงกระสับกระส่ายทุรนทุรายอยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราทนไม่ยอมทำตามความเคยชินเดิมๆไม่นานนก็จะเริ่มอยู่ได้รับรู้ ความปกติที่ค่อยๆกลับคืนมาไม่ว่าเป็นนักปฏิบัติที่มาใหม่หรือว่าคนที่บวชใหม่มันก็ต้องผ่านอาการแบบนี้ทั้งนั้นแต่ว่าพอเรามีสติเป็นเครื่องอยู่อยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าทำอะไรก็พยายามรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งนั้นแม้แต่อิเลียบทง่ายๆเช่นอาบน้ำถูฟันกินข้าวเราก็อยู่กับอิเลียบทนั้นใจมันจะลอยไปไหนก็มีสติรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาให้จดอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่เนี่ย จิตมันจะเกิดความเบาความสบายเพราะมื่อไหรก็ตามที่จิตกลับมาอยู่กับเนื้กับตัวมันจะเกิดความสึกตัวไม่มีความสึกตัวแล้วอารมณ์ต่างๆก็คล่องงำยากนะความสึกตัวมันแปลว่าไม่หลงนะสติแปลว่าไม่ลืมนะไม่ลืมในที่ไม่ได้ไหมายถึงว่าลืมข้าวลืมของนะแต่ว่าลืมตัว ลืมตัวไปคิดถึงงานการลืมตัวไปคิดถึงความสนุกสนานที่เคยเสพที่เคยประสบแล้วมันก็โหยหาแต่พอเรารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวอยู่กับอริยบทที่ทำอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรา สามารถจะอยู่กับตัวเองได้และถ้าเราอยู่กับตัวเองเป็นคืออยู่กับปัจจุบันขณะ เ, เราก็จะพบกับความสุขที่ออกมาจากใจได้ง่ายขึ้ น, นมันไม่ใช่เป็นความสนุกที่มีสีสันมีรถมีชาติอย่างที่เราเคยเสพแต่ว่าเป็นความเบาความสบาย ยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่สงบนะมันก็ช่วยทำให้ให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายการที่จิตจะส่งออกนอกไปตามสิ่งยั่วเย่าหรือยั่วยวนนะมันก็น้อยลงนะอันนี้คืออย่างแรกที่เราควรพยายามฝึกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จำรรษาที่นี่ หรือว่าผู้ที่เป็นนักปฏิบัติก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าการอยู่กับตัวเองทำให้เรามีความสุขได้ง่ายทำให้เราพึ่งพาหรือพึ่งพิงสิ่งอื่นและคนอื่นน้อยลงหลายคนเนี่ยยอมคบกับใครบางคนซึ่งอาจจะไม่น่ารัก จะเลิกก็เลิกไม่ได้เคยถามมาทำไมถึงเลิกไม่ได้เขาก็ตอบว่าเพราะว่าอยู่กับคนเดียวไม่ได้เคยเจอลูกสาวของเพื่อนไปพบกับผู้ชายผู้ชายก็เห็งแกตัวแล้วก็เจ้าชู้ตัวผู้หญิงก็มีความทุกข์ แต่ก็ยอมทนอยู่ทั้นที่ผู้ใช้นี่ก็เอาเปรียบดูถูกเพราะว่าเขาไม่สามารถทนอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวได้ตอนหลังก็ทนไม่ไหวต้องเลิกแต่ก็ยังคิดถึงผู้ชายคนนั้นตอนนี้นเขาก็มีแฟนแล้วก็อยากอยากเข้าไปหาอยากไปพูดคุยอยากไปคุกคีอยากไปอยู่ใกล้เพราะอะไรเพราะว่าเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ นะอันนี้มันเป็นแค่อาการบางอย่างบางด้านของคนที่อยู่กับตัวยังไม่ได้นะยังรวมไปถึงคนทีนะ่ต้องการมีเงินมากๆ ม, มีตําแหน่งเยอะๆมีตําแหน่งสูงๆเพื่อให้คนชื่นชมจกนกระทั่งกลายเป็นธาตของทรัพย์สมบัติกลายเป็นธาตของชื่อเสียงกลายเป็นธาต ของเกติยต์พึ่งพามันขาดมันไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดมันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใจอยู่อย่างไรทั้งที่คนเรานี่ถ้าอยู่คนเดียวเป็นนะไอ้สิ่งเหล่านัน้นมันมีความหมายน้อยมากมันจะมีความหมายก็ในแง่ที่เป็นเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้คือเราใช้มันไม่ใช่ให้มันใช้เรา เราเป็นนายมันไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นนายเราคนที่เป็นคนที่ปล่อยให้เงินทองทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรตินี่มาเป็นนายครอบงามตัวเองก็เพราะไม่รู้จักอยู่กับตัวเองไม่สามารถที่จะเป็นอิสระไม่สามารถที่จะมีความสุขโดยปราศจากสิ่งเหล่านั้นได้เันั้นการ อยู่กับตัวเองให้เป็นนี่นะมันเป็นการบ้านที่สําคัญมากที่เราควรจะฝึกให้ได้ข้อที่สองคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างปกติสุขนอกจากอยู่กับตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่างปกติสุขด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่า เวลามาจมาภาษาด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างก็ต่างจิตใจต่างรสนิยมเวลามาอยู่ด้วยกัน9 0วันก็อาจจะมีเรื่องไม่ถูกใจเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ต้องมีความอดทนแล้วก็มีความใจกว้าง หลายวัดนะที่มีพระมจำภาษาย่ําเยินเนี่ยสุดท้ายก็หนีไม่พ้นการที่พระทะเลาะบอกแหวงกันบางทีถึงกับวิวาทกันหลายรูปก็ทนอยู่ไม่ตลอดพรรษาจะเป็นเพราะว่าทนอยู่กับตัวเองคนเดียวไม่ได้ต้องกลับไปหาสิ่งเสพกลับไป หาคนที่เคยคุกคีด้วยหรือเป็นเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวงกับคนในวัดก็แล้วแต่ก็เกิดขึ้นเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยใหการอธิษฐานภรษาถึงสำคัญในวันเข้าภรรษาเนี่ยนะพระก็จะมีพิธีกรรมสั้นๆง่ายๆหรืออธิษฐานภรษาอธิษฐานแปลว่า ตั้งจิตมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในกรณีขอ้อรรษาคือตั้งจิตว่าจะอยู่จำพรรษาครบทวน3เดือนทำไมต้องอธิษฐานก็เพราะว่าทำไมอธิษฐานแล้วเดี๋ยวอยู่ไม่ถึงนะเพราะว่าหยหาชีวิตเดิมๆหยหาสิ่งเดิมๆที่เคยจากมาที่ได้จากมาหรือพอมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกัน หรือมีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ไม่ไหวแล้วฉันไปดีกว่าจริงๆการจำพรรษาเียมันเป็นการฝึกอย่างดีเลยว่าเราจะอยู่ร่วมกันห้าสิบชีวิตสำหรับพระแล้วก็ร้อยชีวิตสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติจำพรรษาด้วยกันเนี่ยได้อย่างไรท่ามกลางความแตกต่าง จะอยู่กันแบบน้ํากับน้ํามันหรือว่าอยู่น้ําอยู่กันแบบน้ํากับน้ํานมในสนาพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าเคยเสด็จไปเยี่ยมพระอนุรุท ธ, ธะซึ่งไปปลีกลีกเล้นปฏิบัติธรรมร่วมกับพระอีกกลุ่มหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเยี่ยมพระอนุรุทธะยังก็เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยมีชิดที่สุกสบายมาก นะเป็นลูกของราชาลูกของกษัตริย์ตอนหลังก็ตามมาบวชกับพระ เ, เจ้าทิ้งความสนุกสนานทิ้งความสะดวกสบายความพรั่งพร้อมบริบูรณ์มามาถือบาตรบิณฑบาตรอยู่ด้วยบิณฑบาตรเมื่อพระเจ้าเสด็จไปก็ถามพานุรุท ธ, ธาลคนา ว, ว่า อยู่สบายดีไหมที่จริงถ้าถามว่าพออยู่ได้ไหมนะจริงไม่สบายแต่ว่าถามว่าพออยู่ได้ไ้ยบินท บ, บาทพอไหมเสร็จแล้วก็ถามต่อไปว่ายัางชื่นชมกันยังพร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันเหมือนน้ำกับน้ำนนหรือเปล่ายัางมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักหรือไม่นะพรูจ้าท่านใช้ภาษาที่เพรอะนะ มองกันด้วยในตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักหรือไม่ทอนุรัธาก็กราบทูลว่าพวกข้าพเจ้าแม้มีกายต่างกันแต่ว่าจิตนั้นเนี่ยเหมือนเป็นดวงเดียวกันแล้วก็พูดว่าข้าพเจ้าก็ดำเนินอยู่ในใจอยู่เสมอว่าแม้ ด่ามีอยู่ในใจเสว่าจะจะเก็บจิตของตัวไว้แล้วก็ปฏิบัติตามจิตของผู้เป็นพันเตหรือผู้อาวุโสอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะว่าในการที่จะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขเนี่ยมันต้องมีความเมตตากันนะแล้วก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่างในน้อยเนี่ยก็ต้องมีความอดทนมีขันติแม้ว่าจะเจอคนที่ต่างรสนิยมต่างความเห็นนิสัยต่างกันบางคนอาจจะพูดหุ่นๆสั้นๆบางคนอาจจะชอบพูดตรงๆนะบางคนอาจจะอ้อมค้อมบางคนอาจจะอ่อนแอแต่บางคนเข้มแข็ง แต่ว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ก็ต้องนะพยายามที่จะเข้าเข้าใจกันให้ได้นะแต่จริงแล้วเนี่ยการที่คนเราจะอยู่พร้อมเพรียงกันได้เนี่ยเหมือนน้ํากับน้ํานมเนี่ยมันต้องอาศัยข้อแรกคือว่าการอยู่กับตัวเองอย่างมีสุขอย่างเป็นสุข คือถ้าเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขแล้วเนี่ยนะให้การที่จะไปมีเรื่องทะเลาะเบาแวงหรือว่าวิวาทบาดหมาง ก, กันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากที่ทะเลาะวิวาทกันขัดแย้งกันหรือจนกระทั่งบางทีไม่ไม่พูดไม่คุยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความเครียดอยู่แล้วมาบวชมาปฏิบัติแล้วมีความเครียดพอมีความเครียด ก็กระทบกับคนอื่นได้ง่ายเมื่อมีความเครียดก็จะมองอะไรเป็นลบได้ง่ายเขาทำอย่างนี้ก็ไปตีความเป็นลบว่าเขามุ่งร้ายกับเราเขาอาจจะท่วงติงอาจจะแนะนำก็หาว่าเขาสั่งสอน อันนี้เพราะว่ามันมีพื้นฐานที่จิตใจของตัวเองคือความเครียดความหงุดหงิดนะแต่ถ้าคนเรามีความสุขแล้วเนี่ยนะมันมีความเมตตามีความพร้อมจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นหรือพร้อมจะให้อาภัยได้ง่ายอ่อทุกวันนี้คนที่ทะเลาะบอกแวงกันเนี่ยไม่ว่าในวัดหรือในที่ทำงานหรือในบ้านในครอบครัว ลวนแล้วแต่เกิดจากปัจจัยเบื้องต้นคือแ ต, แต่ละคนไม่มีความสุขความการไม่มีความสุขเนี่ยก็ทำให้เรียกร้องความสุขจากคนอื่นอยากจะให้คนอื่นนะมามอบความสุขให้แก่ตัวเองเช่นเอา อ, อกเอาใจพูดดี แต่ว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่มีให้หรือว่าให้ไม่พอก็เกิดความไม่พอใจและพอเรียกร้องมากเข้ามาเข้าอีกฝ่ายนึ่ก็รู้สึกถูกกดดันถูกเรียกร้องนะก็เกิดความหงุดหงิดนะอันนี้เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นบ่อยในครอบครัวในที่ทํางานเมื่อเราไม่มีความสุขเราก็อยากจะได้รับความสุขจากคนอื่น เราก็พึ่งพาความสุขของคนอื่นถ้าเขาไม่มีให้ก็ไม่พอใจเมื่อคนที่ขาดความรักท่ารักไม่มีความรักตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะให้คนอื่นรักแต่ถ้าคนอื่นไม่รักตัวเองอย่างที่ตัวเองต้องการก็ไม่พอใจ เ, เกิดความตึงเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทะเลาะ ก, กัน นี่ขนาดคนใกล้นะไม่ต้องนับไม่ต้องพูดถึงคนไกลนะซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันพอไม่มีความสุขอยู่ข้างในหรือว่ามีความทุกข์เข้ามาแทนที่เนี่ยไอการที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นด้วยคาพูดอัที่แรกด้วยด้วยวลตาก่อนต่อมาก็ด้วยคาพูดแล้วต่อมาก็ด้วยการกระทามันก็ทาให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกัน ยิ่งการความการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุราบลื่นเนี่ยมันต้องอาศัยการที่แต่ละคนเนี่ยอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขได้มีความเต็มข้างในผู้เจ้าตรัสเป็นคาถานะว่าสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบสงบ คนที่วอยวายก้าวราวเนี่ยพอข้างในพอพร่องเขาพร่องความสุขเขาพร่องความรักจากเท่ากับว่าใครที่เต็มข้างในเต็มมีความสุขเต็มอยู่ข้างในก็จะเงียบนะสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบดังนั้นะถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยอยากจะอยู่ร่วมกันอยากราบรื่นนะ ไม่ใช่ไปเรียกร้องคนอื่นให้ทําดีกับเราให้พูดดีกับเราให้รู้ใจเราใจต้องเริ่มต้นที่การที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอยู่ข้างในโดยการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขหรืออยู่กับตัวให้เป็นซึ่งหัวใจมาคือการรู้จักอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัวนะ และสติที่เรามามาปฏิบัติกันเนี่ยมันสำคัญมากมันไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวเราเองและผลพลอยได้คือนะการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขราบรื่นถึงตรงนี้เนี่ยการกระทบกระทั่งกันความคิดที่ต่างกันรสนิยมที่ต่างกันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามีความเข้าขเข้าใจกัน นะมีความเมตตากรุณาต่อกันนะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยนะเพราะว่านะข้างในเนี่ยมั่นคงมั่นคงเพราะมีความสุขมีความสงบนะเป็นพื้นฐานและความสุขความสงบเนี่ยเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะสิ่งแวดล้อมนะแต่เพราะว่าการมีสติมีความรู้สึกตัว ฉันก็อยากจะฝากเอาไว้นะสําหรับทุกท่านที่มาจําปัรษาด้วยพ่อพระใหม่อันนี้ก็รวมถึงนักปฏิบัติธรรมด้วยว่าปรรษานี้เนี่ยไม่ว่าจะมาด้วยวัตถุประสงค์ไดก็ตามขอให้ฝึกสองอย่างนี่คือฝึกเที่ยอยู่กับตัวเองมีความสุขและฝึกเที่ยอยู่กับผู้อื่นได้อย่างรักเรื่นปกติสุขซึ่งที่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราซึ่งพึ่งมาที่นี่วันนี้นะ ก็คงเห็นความสําคัญแล้วก็ควรจะฝึกฝึกที่นี่อาจจะไม่พอต้องกลับไปฝึกที่ที่บ้านหรือที่ทํางานด้วยโดยว่พวกเรานี่ก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันนะอยู่ที่ทํางานเดียวกันมันต้องมีสองสิ่งนี้แหละถึงจะทำให้ที่ทํางานนั้นเนี่ยเป็นสวรรค์ไม่ใช่นรกเป็นที่ที่จะเกื้อกูลให้เกิดความเจริญงองงามและสร้างประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นได้ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องของการเบียดเบียนบันทอนกำลังใจซึ่งกันและกันอา่าแล้วก็คำนี้ก็พูดบันทอนนี้ครับ